พุทธะพระพุทธ เ, เจ้าเทพพรหมสิ่งศักดิก์สิทธิ์รอเจอพวกเราอยู่นะท่นนี้ไม่ได้ไปรอเราที่นอกโลกรอเราอยู่นี้แหละไม่เห็นงี้นั่นเองใช่มันยังไม่ได้ใช่นิพพานนะที่พาะทำเนี่ยไม่ใช่นิพพานนิพพานที่พ้นออกไปจากสภาวะนี้แต่ยังอยู่ในภาวะนี้นี่เป็นนิพพานจิมรางรักบริสุทธิ์ การสำนักรู้คุณบริสุทธิ์เป็นนิพพานจิมลังและทั้งสองอย่างเนี้เป็นปัญญาการพูดคุยของเราทาให้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ไหมและสิ่งที่เหมือนเชินนั้นเป็นสภาวะจริงเพราะเขาได้สัมผัสปัญญานั้นปัญญาเนี่ยมันจะพูดด้วยภาษาที่ต่างกัน สภาวะของหนิงของไหมจะพูดด้วยภาษาสมมุติต่างกันก็ออกตามนะครับอันเดียว ก, กันกับที่ผมเจออันเดียวกันเนื่องในจากคนที่เห็นเหมือนกันก็จะเข้าใจกันแต่ทั้งสองยังไม่สุดนะยังต้องเดินต่อนะครับประเด็นที่เราต้องเดินต่อที่ต้องศึกษาไปก็ก็คือข้อมูลที่ผมจะให้ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละ ให้เรารู้ว่ามันยังไม่สเสถียรยังไม่สเสถียร น, นะไม่สเสถียรแล้วความชั่วร้าย ห, หรือจอมมารเนี่ยมันจะหาหาทางดึงคุณกลับสุดแรงเกิด <laughs> มันจะหาทางดึงคุณกลับนะปัญหาที่คุณจะเจอจะใหญ่ขึ้นแต่จะคู่ควรกับปัญญาของคุณ <laughs> เช่นเดียวกันกับโบนัสที่คุณจะได้ก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกัน ดัง น, นั้นเนี่ยจอมมารจะยังดึงคุณให้ยังหลงกับมันอยู่จะไม่ให้คุณได้ได้ง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่จะที่คุณจะต้องเจอแต่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่จะต้องเจอมันเข้าใจแล้วมันเห็นสมดุลแล้วเห็นสมดุลของสองด้านของดีชั่วแล้วของความแท้กับความเทียมแล้วของกฎและตัวธรรมชาติแล้วเห็นสมดุล ให้ตรงตื่ตื่นนะครับมี อ, อะไรมาก็เผชิญมันไปแค่นั้น